สก่อนปฏิบัติต้องเรียนรู้หลักก่อนก่อนปฏิบัติต้องเรียนรู้หลักก่อนจะได้ไม่ยุ่งยากไม่เหน็ดเหนื่อยถ้าไม่ได้หลักของการปฏิบัติจะเหนื่อยมากเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติบางคนตั้งเป้าของการปฏิบัติว่าอยากจะเอาความสุขอยากเอาความสงบอยากเอาความดีพวกนี้จะเหนื่อยเพราะธรรมชาติของจิตมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้แต่เราอยากทําให้มันเที่ยงถาวร อยากให้มันทนอยู่ได้มีแต่ความสุขอยากจะบังคับมันให้ได้ตามใจชอบอยากอย่างนี้ไร้เดียงสาเราอยากฝื้นความเป็นจริงของธรรมดากฎของธรรมะหรือธรรมนิยามที่เราเรียนเพื่อให้เข้าใจกฎเหล่านี้แหละจนใจสอดคล้องคล้อยตามสัจจะความจริงเหล่านี้ในเริ่มต้นปฏิบัติเราก็อยากให้มันผิดธรรมดาจิตไม่เที่ยงก็อยากให้มันเที่ยงจิตเป็นทุกข์ก็อยากให้มันสุขของบังคับไม่ได้ก็อยากบังคับให้ได้ ดิ้นไปเถอะเนยเปล่าแต่ถ้าเราตั้งเป้าว่าจะเรียนรู้ความจริงไม่ยากแล้วเรียนว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราคอยรู้กายรู้ใจว่าเราบังคับกายบังคับใจได้จริงไหมร่างกายยังดูพอบังคับได้แต่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นนายเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกว่าเราเก่งแต่ที่จริงจิตสั่งบางครั้งจิตก็สั่งไม่ได้ เช่นบางคนเจริญสติมากๆนอนหลับไปเห็นร่างกายกระดุกกระดิกทั้งคืนแต่เราสั่งให้กระดุกกระดิกไม่ได้เมื่อยอมรับความเป็นจริงก็อยู่เป็นสุขความเป็นจริงก็มีสองอย่างคือความเป็นจริงที่ปรุงแต่งกับความเป็นจริงที่พ้นจากการปรุงแต่งเราก็รู้ความเป็นจริงในฝ่ายปรุงแต่งไปก่อนรู้กายรู้ใจนี่แหละรู้ไปจนใจวางเราจะไปพบความจริงที่ไม่ปรุงแต่งพบเองนะไม่ต้องไปดิ้นรนหา เพราะดิ้นรนก็คือการปรุงแต่งเราปฏิบัติเพราะมีกิเลสนาหน้าเช่นโลภะราคะจึงไม่ได้ผลอยากให้สำรวจใจของเราให้ดีให้รู้ทันกิเลสเช่นเราปฏิบัติเพราะเราอยากมีความสุขอยากมีความสงบอยากได้มรรคผลนิพพานนี่ปฏิบัติเพราะโลภะปฏิบัติเพราะราคะ บางคนปฏิบัติแล้วอยากให้พ้นความวุ่นวายอยากให้พ้นจากความทุกข์อยากให้มันพ้นว่าตะสงสารนี่ปฏิบัติด้วยโทสะอีกพวกหนึ่งปฏิบัติด้วยโมหะอยากปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรทำมั่วๆไปหลงๆไปหลงอยู่แท้ๆเลยคิดว่าปฏิบัติ